จเจริญสุขท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทั้งหลายต่อไปนี้จะได้บรรยายธรรมในลักสูตรของนักธรรมชั้นตรีเพื่อประกอบการเรียนการศึกษาแก่นักเรียนนักศึกษาผู้สนใจในธรรมและท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทั้งหลายสืบต่อไปวันนี้จะได้บรรยายในหัวข้อว่าอารักกรรมฐานสี่อารักกรรมฐานซึ่งแปลตามภาษาแล้วก็คือว่า กรรมฐานที่ควรรักษาไว้สี่อย่างหรือหมายความว่ากรรมฐานที่ควรทำให้เจริญขึ้นทำให้มีขึ้ น, นอย่างนี้ได้ชื่อว่าอารักกรรมฐานมีสี่อย่างด้วยกันคือหนึ่งพุทธานุสติระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าที่มีในพระองค์และทรงเกื้อกูลแก่ผู้อื่นสองเมตตาแผ่ไมตรีจิตคิดจะให้สัตว์ทั้งปวงเป็นสุขทั่วหน้า สามอาสุพะจิจณาร่างกายของตนและผู้อื่นให้เห็นเป็นของไม่สวยไม่งามสี่มรณสตินึกถึงความตายอันจะมีแก่ตนทั้งสี่อย่างนี้เราควรจะเริญขึ้นเป็นนิษฐ์นะควรเจริญขึ้นเป็นนิ ด, นะ ค, วนนนนดควรทําให้มีขึ้นอยู่เป็นนิดและทำเหล่านี้ก็กลับทำให้ผู้รักษาผู้จเจริญ น, นั้นไม่ให้ตกไปในที่ชั่วนะไม่ให้ตกไปในที่ชั่ว ฉันั้นกรรมฐานทั้งสีอย่างนี้จึงมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าจะตุรารักคือเป็นสิ่งที่ทุกคนควรรักษาสี่ประกาศเมื่อบุคคลรักษาแล้วก็จะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองอย่างเดียวในข้อแรกที่บอกว่าพุทธานุสติคือระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าที่จะมีในพระองค์และที่ทรงได้เกื้อกูลแก่ผู้อื่นนั้นคือทาอย่างไรอันนี้ให้เราได้ระลึกถึง อพุทธจัญญอที่พระองค์ได้ทรงประพฤติได้ปฏิบัติได้บําเพ็ญมาตลอดจนได้ตรัสเป็นตรัสรู้เป็นพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าคือตรัสรู้เองโดยชอบนี้เป็นพระปัญญาคุณที่ทรงละสิ่งที่เป็นโทษคืออาสวะกิเลสเครื่องเศร้าหมองได้หมดทุกสิ่งทุกอย่างกับทั้งวาจนาคือกิริยาวาจาที่อกิเลส ท, ที่กิเลสได้ รับปรุมจิตใจอยู่มานานนะทรงบริบูรณ์ด้วยความดีที่เป็นคุณธรรมโดยอเนกประการนี่เป็นเป็นพระบริสุทธิที่คุณเรียกว่าบริสุทธดดดินะนะ์หมดจดโดยสิ้นเชิงหมดจดโดยสิ้นเชิงนี่แหละเป็นพระคุณที่มีในพระองค์และยิ่งไปกว่านั้นก็คือว่าให้เราได้ระลึก ถ, ถึงพระพุทธคุณที่ที่พระองค์ได้มีอยู่ใน ในพระไทย เ, เต็มไปด้วยความเมตตากรุณาในหมูสัตว์อซึ่งเร่าร้อนอยู่ด้วยเพลิงกิเลสอยู่ด้วยกองทุกข์ทรงแสดงธรรมสั่งสอนให้เวนยรรสัตว์ต่างๆได้ฟังได้รู้และได้ปฏิบัติตามอาพระธรรมของพระองค์นั้นสามารถที่จะดับเพลิงกิเลสดับกองทุกข์ได้ทุกสิ่งทุกอย่างาทุกสิ่งทุกอย่างที่พระองค์ได้กระพือไปนั้นมิได้ทรงเห็นแก่ความยากความลำบากหรือความเนหน็ดเหนื่อยของพระองค์ นี่เป็นพระมหากรุณาที่คุณเป็นพระคุณที่ทรงเกื้อกูลแก่ผู้อื่นปิยยะที่ระลิกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าดังนี้แหละชื่อว่าพุทธานุสตินะชื่อว่าพุทธานุสติฉะนั้นคุณของพระพุทธเจ้านั้นมีมากมายเหลือที่จะพรรณนาแม้ว่าจะแม้แม้จะจะกล่าวโดยย่อๆแล้วก็มีสามนะโดยย่อๆก็มีสามก็คือหนึ่งพระปัญญาที่คุณนะทรงมีพระปัญญายิ่ง เหนือกว่าบุคคลอื่นใดๆในโลกนะจึงได้นามว่าโล ก, กวิถูเป็นผู้รู้แจ้งโลกนี่อสองอพระวิสุทธิคุณก็คือทรงบริสุทธิ์หมดจดจากกิเลสตัณหาโดยสิ้นเชิงนะอาสวะกิเลสโดยสิ้นเชิงทุกสิ่งทุกอย่างนี่แหละจึงได้นามว่าพระวิสุทธิคุณนะข้อที่สามก็คือพระมหากรุณาธิคุณทรงมีเมตตากรุณาต่อเราประสบต่อเวนยสัตว์ ต่อ น, นิกรชนต่อประชาชนทุกคนไม่เลือกว่ายาจกวันนี้พกขอทานเศรษฐีกหาวดีพระราชามกษัตริย์นี้พระองค์ทรงมีเมตตากรุณาเป็นอย่างยิ่งที่จะช่วยคนทุกประเภททุกวันนะทุกชาติชั้นให้พ้นจากความทุกข์ที่ถูกกิเลสตัณหาท่วมทับร้อยรัดเรองจิตใจอยู่โดยไม่เลือกที่รักมักทธิชังไม่เห็นแก่หน้าทั้งนั้ น, นอันนี้แหละ นะว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณทีนี้โดยพระคุณอีกอย่างหนึ่งคุณของพระพุทธเจ้านะคุณของพระพุทธเจ้านั้นก็มีอยู่เก้าประการนะเก้าประการอนะที่เราเรียกกันว่าพุทธคุณนะพุทธคุณเก้าที่เราสวดกันตั้งแต่อรหังสัมมาสัมพุทธโธพักวะเนี่ยเนี่ยอระหังเนี่ยนะที่เรียนเอาอรหังเนี่ยแปลว่าผู้ไกลจากกิเลส ที่เรียกว่าบทต่อลออิติปิโสพัควาอารหังสัมมาสัมพุทธโธเนี่ยอแปลผู้คลาจากกิเลสอืแล้วก็จนกระทั่งสุดท้ายที่บอกว่าพุทโธพัควาติลงข้อสุดท้ายนี่แหละทั้งบทนี้รวมแล้วว่าเป็นคุณของพระพุทธเจ้าเป็นคุณของพระพุทธเจ้าทีนี้จะย่อจะย่อในพุทธคุณเก้ามาให้ลงในในพุทธคุณสามในพุทคุณสามก็คือ เราว่าตั้งแต่อรหังจนถึงพุโทโธภรกรวาแต่เมื่อย่อให้สั้นก็ถึงโลกวิทูรวมเป็นพระปัญญาคุณนะพระปัญญาคุณกับพระวิสุทธิคุณนะที่บอกว่าอิติปิโสพระกวาอรหังสัมมาสัมพุโทโธวิชาเจรณนะ ส, สัมปันโนสุกโตโลกวิทูนี่แหละบอกว่าจัดลงในพระปัญญาที่คุณและพระวิสุทธิคุณนะทีนี้ ที่จัดเป็นพระคุณที่มีในพระองค์สี่คุณบดข้างปลายรวมเป็นพระมหากรุณาธิคุณต่อจากโลกวิทูอนุตตรโปริสธรรมศสสาติสัทธาเทวุนุสานังพุทโธภควานี่แหละเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงเกื้อกูลแก่ผู้อื่ น, นเราละลืกถึงคุณของพระพุทธเจ้าทั้งสามนี้หรือบริกรรมว่าอารหังอรหังหรือสัมมาสัมพุทโธสัมมาสัมพุทโธอย่างนี้ก็จะได้ชื่อว่า เราน player, ั้นได้เจริญพุทธคุณนะเราได้เจริญพุทธคุณฉะนั้นที่เราเจริญพุทธคุณเนี่ยบางคนก็ว่าอสัมมาอรังสัมมาอรหังนะที่เราเจริญสมาธิกสมานกันเนี่ยวิปัสสนารมฐานกันเนี่ยบางคนก็ว่าพุทโธพุทโธหายใจเข้าว่าพุทหายใจออกว่าโธนะพุทโธพุทโธหรือบางคนก็ว่าสัมมาอรหังนะหรือบางคนก็ว่า ยุบหนอพองหนอนะยุบหนอพองหนอหรือบางคนก็อาจจะมีวิธีการแตกต่างไปนะอันนี้มันก็ได้ทางนั้นนะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เราเอามามาเป็นเครื่องอทําจิตใจของเราให้หยุดเอามาเป็นที่เกี่ยวเกาะจิตใจมาเป็นที่พักพิงของจิตใจมายึดเหนี่ยวอารมณ์ของเราให้แน่วแนนะ่ให้แน่วแน่นั้นจะว่าอย่างไรก็ไดนะ้จะว่าอารหังก็ได้จะว่าพุโทโธก็ได้นะได้ทางนั้น ีนี้อันนี้แหละบางทีทําให้เรานี้ต้องถกเถียงกันนะถกเถียงกันว่าบางคนก็ว่ายุบหนอป้องเนอนีอ่ไม่เป็นวิปัสนาะบางคนก็บอกว่าพุทโธเป็นวิปัสนาบางคนก็ว่าพุทโธไม่เป็นต้องว่าสัมมาอราหังอันนี้ที่จริงแล้วนั่นเพราะเราไม่เข้าใจนะเพราะเราไม่เข้าใจเราจึงต้องมาเถียงกันนะที่จริงความจริงความถูกต้องในเนื้อหาสาระนั้นมีอยู่เสมอเหมือนกันนะมีอยู่เสมอเหมือนกัน ใครจะว่าอย่างหนึ่งอย่างใดก็ได้เพราะริงเหล่านั้นเอามาเป็นเครื่องอให้อารมณ์หยุดเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวของอารมณ์นะไม่ใช่อะไรดันะนั้นเราจึงต้องบริกรรมกันอย่างนั้นจะเป็นยุบเนอปองเนออะไรหังหรือกุศโลอะไรได้ทั้งนั้นนะอันนี้ขอให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้รับทราบไปด้วยว่านี่เป็นการเจริญพุทธคุณนะพุทธคุณเมื่อเราเจริญพุทธคุณนี่แหละจะทําให้เรานั้นมีสติปัญญานะมีสติปัญญา บางคนก็เอนึกไม่ออกว่าสติปัญญามันเกิดยังไงเพราะท่านลองนึกดูสิว่าเวาคนคนเราท่านนั่งสมาธินั่งกรรมฐานนะนั่งกรรมฐานจะเป็นสมถกรรมฐานที่ปรินากรรมฐานพอดีทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นบอกเกิดแห่งปัญญาทั้งสิ้นนะเป็นบอกเกิดแห่งปัญญาพราะพุทธองค์จึงได้ตรัสได้ว่าสมาทิงพิก เ, เวพาเวถาสมาัโโยโตยถาผุดตังประชานาติว่าปิสุทั้งหลายจงพากันเจริญสมาธิเถิด เมื่อมีจิตใจตั้งมั่นคงแล้วก็ย่อมรู้ทุกสิ่งทุกอย่างตามความเป็นจริงอเมื่อจิตใจตั้งมั่นแล้วย่อมรู้ทุกสิ่งทุกอย่างตามความเป็นจริงนี่แสดงว่าตัวสมาธินั้นทําให้เกิดปัญญาเห็นไหมทําให้เกิดปัญญาทีนี้การที่เราจะเิญสมาธิเราจะเอาอะไรเป็นอารมณ์ก็อาจจะว่าพุโทโธก็ได้หายใจเข้าพุทหายใจออกโธพุโทโธพุโทโธอะไรที่เราว่านี่ซึ่งอันนี้ก็มีเยอะ อาจมาก็เคยสอนนักเรียนให้ว่าพุทโธอีกเหมือนกันอ่ามันแล้วแต่ว่าจริตของเราจะเหมาะอันไหนถ้าเราเหมาะพุทโธเราก็ว่าพุทโธเท่าว่าแล้วให้มันให้มันสงบเราก็ว่าถ้าไม่สงบเราก็เปลี่ยนไปอย่างอื่นก็ได้ไม่ว่ายุบเนอะพองเนอ ก, ก็ได้ออ<ม>หายใจเข้าก็ยุบหายหายใจเข้าก็พองนะหายใจออกก็ยุบเ น, นี่ยอ่ยหายใจเข้าก็ท้องพองหายใจออกท้องยุบเ น, นี่ยยุบเนอะพองเนอ ก, ก็คือมีสติ อมีสติสัมมวมระวังกำหนดอยู่ที่ท้องยุบท้องพองหรือจะกำหนดที่ลมหายใจเข้าออกจเจริญอาณาปานสติที่ตรงปลายจมูกก็ได้อันนี้ก็เพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวให้จิตใจนั้นมีอารมณ์เป็นอันหนึ่งอันเดียวนั่นเองอันอย่างหนึ่งอย่างใดก็ได้อันนี้มันก็เป็นทางให้เกิดปัญญาทางนั้นที น, นี้สมะะถะอกรรมฐานก็คือกรรมฐานเป็นอุบายให้เกิดให้เกิดอเป็นอุบายให้จิตใจสงบ นะเป็นอุบาสให้จิตใจสงบสงบจากนิวรณูปกิเลสทั้งห้านะสงบจากนิวร์ทั้งห้านิวร์นี่เป็นเครื่องปิดกัน้นสกัดกัน้นไม่ให้คนเรานั้นบรรลุภูมิงามความดีหรือเป็นสิ่งที่ทวงความเจริญคนเราไม่ให้บรรลุตามสิ่งที่มุ่ง ม, มา่นตั้งนาได้แต่เมื่อเราจเจริญสมถะโดยจะเอ า, อาเอาอารมณ์ทั้งทั้งสี่สิบอย่างมาว่าก็ได้เช่นว่าเอากสินสิบมานะหรือว่าเอาอสุภาษิตอนุสติสิบ นะหรือว่าจะเจริญอรูปปัจจันทร์สีพรหมวิหารสีหรือว่าจะเจริญอาหารเรยปฏิกูลสัญญาหนึ่งจะตุธาตัววัดฐานหนึ่งรวมแล้วก็เป็นสี่สิบอย่างเอามาอย่างหนึ่งอย่างไหก็ได้อันนี้แหละทําให้จิตใจของเราสงบได้นะจิตใจของเราสงบได้หรือให้เราเจริญากายาสติมีสติพิจารณาเข้าไปในกายให้เห็นว่าเป็นของ หน้าเกลียดเป็นของโสโครกนะเป็นของโสโครกให้เราพิจารณาว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่จีรังยั่งยืนอร่างกายของเรานั้นเป็นภาชนะที่ใส่ของไม่สะอาดร่างกายของเราน้ำเ็นไปด้วยบอกเกิดแห่งโรคเป็นไปด้วยรังแห่งโรคนะรู้สึกว่ามันหน้าขยะขแขยงหน้าเกลียดหน้ากลัวนะหน้าเกลียดหน้ากลัวเราพิจารณาอย่างนี้ก็จะทําให้จิตใจสงบหรือเราพิจารณาตาจระปัญจกะกรรมฐานผมคนเล็บฟันหนัง ให้เห็นเป็นของไม่สวยไม่งามนะที่อพระสงฆ์องค์เนนที่ก่อนจะบวชอุปชายะก็จะต้องอสอนให้รู้กรรมฐานอสี่อย่างห้าอย่างกรรมฐานห้าอย่างนี้เรียกว่ามูลลกรรมฐานนะมู ล, ลกรรมฐานก็คือว่ากรรมฐานที่ที่จะต้องเรียนในขั้นต้นในเบื้องแรกในเบื้องต้นหรือต้องเรียนก่อนกรรมฐานอย่างอื่นก็คือว่าสอนให้ผู้ที่จะเข้าบวชนั้นได้รู้จัก กรรมาฐานทั้งห้าก็คือให้รู้จักผมขนเล็บฟันหนังทุกสิ่งทุกอย่างนี้เป็นของเป่ลยเน่าเป็นของปฏิกูลเป็นของโสโครกเราไม่ควรจะมาลหลงไหลไปฝันเพราะผู้ที่เข้ามาบวชนั้นพึงละเข้ามาเป็หมายก็อาจจะติดในผมนะไม่เห็นผมสั้นก็ไม่พอใจอาจจะไปเห็นผมยาวของคนอื่นก็จะเกิดความพอใจอ่านะ ไปเห็นสตรีที่ไว้ผมอย่างนั้นอย่างนี้ก็เกิดความพอใจนี่ให้พิจารณาว่าเป็นของไม่สวยไม่งามสังเกตดูสิให้เราเห็นผมที่อยู่บนที่สระแล้ ว, ว่าสวยงามแต่ถ้าเส้นผมนั้นมาตกอยู่ในชามข้าวเนี่ยเรารู้สึกจะเกลียดจะขยะขยะเนี่ยให้เราพิจารณาอย่างนั้นเล็บเหมือนกันเราอาจจะไปเห็นเล็บเขาทาแล้วแหมมันสวยเหลือเกินก็ลองตัดเอาให้เล็บไปสวยๆนั้นมาใส่ในชามข้าวของเราเราจะเกิดความรังเกียจทันทีเห็นไหมเกิดความรังเกียจแล้วดูแล้วน่าขยะขยะนี่ ในอย่างอื่นก็เหมือนกันผมคนเล็บปันหนังเนี่ยฟันเนี่ยถ้ามันร่วงมาตกในชามข้าวเนี่ยเราจะกินไม่ได้ทันทีเลยอบางคนดีไม่ ด, มดีก็อาจจะเกิดอ้วกเกิดอาเจียนขึ้นก็ได้นะแต่ว่าเวลาเขายิ้มขึ้นมาแล้วแหมรู้สึกว่ามันก็ทําให้ฟุ้งใจได้ถ้าเราไม่สํารวมระวังนะเกิดทําให้ใจฟูขึ้นได้เกิดทําให้หลงได้นะเรียกว่าอหลงสเสน่ห์ในรอยยิ้มนะฉะนั้นอันนี้แหละทุกสิ่งทุกอย่างให้เรามองเห็นว่าเป็นของไม่สวยไม่งาม นะเป็นของไม่สวยไมงามอย่างนี้ก็เท่ากับว่าเรานั้นได้เจริญสมถะกรรมฐา น, านก็เป็นอุบายให้ใจสงบเป็นพักๆนะเป็นพักๆและสงบนี้ก็อาจจะจนจนได้ถึงอัปปนาภาวนาก็ได้นะคือถึงความสงบอย่างได้นานแน่วแน่นะสงบถึงขั้นนี้แล้วก็ได้ฌานนะได้ฌานมาในขั้นที่สองก็คือให้เราเจริญวิปัจนา กรรมฐานตัววิปัสนากรรมฐานก็คือว่าเป็นอุบายให้เราสงบเป็นอุบายให้เราเรืองปัญญาให้ปัญญาเกิดการที่ปัญญาจะเกิดนั้นท่านบอกว่าจะต้องรู้ภูมิเป็นที่ตั้งอารมณ์ของวิปัสนาจะต้องรู้รากเหง้าของวิปัสนาจะต้องรู้ตัวของวิปัสนาภูมิเป็นที่ตั้งอารมณ์ของวิปัสนาก็ได้แก่สังขารสองนะสังขารนะสอง 2, หรือว่าให้เรารู้เรื่องขันธ์ห้า นะอายตนะสิบสองธาตุสิบแปดอินทรีย์ยี่สิบสองนี่อารยสัจสี่ปฏิจจสมุปบาทนี่ให้เรารู้จักอย่างนี้แล้วส่วนรากเหง้าของวิปัสสนาก็ได้แก่วิสุท ธ, ธิสองก็คือสีลวิสุท ธ, ธิกิตวิสุท ธ, ธินะส่วนตัวของวิปัสสนาก็ได้แก่วิสุท ธ, ธิห้าขั้ท้ายตั้งแต่ทิฏฐิวิสุทธิเป็นต้นไปจนถึงยานะทัศนวิสุท ธ, ธิอ่อย่างนี้แหละ ได้ชื่อว่าเป็นตัวของวิปัสนาทั้งหมดนี้เมื่อเราจเจริญไปบริกรรมไปภาวนาไปก็จะทําให้ปัญญาเกิดผลที่สุดก็คือว่าทําให้เรารู้แจ้งเห็นจริงอในทุกสิ่งทุกอย่างตามสภาวะความเป็นจริงไม่หลอกไม่ลวงนะเมื่อเรารู้แจ้งเห็นจริงแน่นอนที่สุดเราก็จะตัดกิเลสสมุทเฉสประหานะเรียกว่าพิจารณาสังขารว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาตัดกิเลสตายคลายกิเลสจริงเห็นจริงคือความไม่มีตัวไม่มีตนเราก็จะพ้นจากความเป็นทุกข์ได้นะ นี่ก็คือว่าให้เราจเจริญพุทธานุสตนะิในพุทธานุสติประการที่สองให้เรามีเมตตานะมีเมตตาคือแผ่ไมตรีจิตคิดจะให้สัตว์ทั้งปวงเป็นสุขโดยทั่วหน้าแหมอันนี้ก็สำคัญมากเลยนะสำคัญมากนะสำคัญยังไงเพราะคนเรานั้นส่วนมากแล้วก็ไม่ค่อยมีเมตตาต่อกันนะคนเรานั้นมันมีโทสะ มีโกทะคือความโกรธโตะความคิดประทุสร้ายพยาบาทคิดอาฆาตบาดร้ายต่อกันอยู่ในใจอ่าบางคนพอเห็นกันแค่นั้นก็รู้สึกไม่พอใจนะได้ฟังเสียงก็ไม่พอใจได้กลิ่นก็ไม่พอใจถึงกับอฉุนเกิดขึ้นมาเลยนะแหมใครทําอย่างนั้นอย่างนี้กลิ่นเหม็นเหลือเกินเนี่ยบนเนี่ยไม่พอใจฉะนั้นจึงบอกให้เรามีเมตตานะก็คือว่าความปรารถนาดีของจิตใจอเพื่อ ให้เรานั้นปลูกความรักความสนิทสนมนะความรักความสนิทสนมกับคนทั่วๆไปนะอย่างนี้เรียกว่าเรามีเมตตาทางเกิดของเมตตาในเบื้องต้นก็คือว่าให้เรานึกถึงตนเทียบกับคนอื่นว่าทุกคนนั้นก็รักสุขเบียดทุกข์ด้วยกันฉันใดนะคนอื่นก็รักสุขรักทุกข์รักสุขเบียดทุกข์ด้วยกันฉันนั้นเหมือนกับเราฉะนั้นเมื่อเรารักสุขเบียดทุกข์แล้วแน่นอนที่สุดเราก็อย่าไปคิดอาฆาตว่าร้ายอย่าไปคิดพยายาบาทเขา อย่าไปคิดปองร้ายเขานะพยายามปลูกความรักให้เกิดขึ้นดังนั้นเมื่อเราปลูกความรักให้เกิดขึ้นก็ระวังระวังไอ้เมตตาที่เกิดจากเ อ, อที่เกิดจากความรักนั้นอย่าให้ความกําหนัดอย่าให้ความกําหนัดเข้ามาถ้าความกําหนัดเข้ามาก็มันจะกลายเป็นว่าไม่ใช่เมตตากลายเป็นความรักความใคร่ไปดฉะนั้นความปรารถนาเพื่ อ, อ, อรักใคร่สนิทสนมกับผู้อื่นนั้นได้ชื่อว่าเมตตา ฉะนั้นเราทุกคนนั้นก็ควรจะรู้ว่าทางให้เมตตาก็คือแผ่เมตตานะการแผ่เมตตานั้นมีสองอย่างก็คือแผ่โดยเจาะจงกับไม่เจาะจงแผ่ไปโดยเจาะจงเรียกว่าโอทิสสะพารณานะแผ่โดยไม่เจาะจงก็ชื่อว่าอานโอทิสสะพรรณาแผ่โดยไม่เจาะจงนี้เรียกว่าแผ่ไปในคนเรียกว่าชั้นสูงนะแผ่ไปชั้นสูงเพราะว่า เป็นเมตตาของเท้ามหาพรหมมีผลกว้างขวางนะมีผลกว้างขวางแผ่ไปโดยเจาะจงเป็นขั้นต่ำเป็นขั้นธรรมดาทั่วไปอันนี้มีผลแคบนะแต่ก็เป็นประโยชน์อย่างแรงกล้านะเป็นประโยชน์อย่างแรงกล้าอะแผ่โดยเจาะจงกับไม่เจาะจงนี้โดยเจาะจงเขาอาจจะเรียกว่าเมตตาในพรหมวิหารแต่แผ่โดยไม่เจาะจงเรียกว่าเมตตาในอัปปมัญญาคือแผ่ไปโดยหาประมาณมิได้ เจา้าัที่พวกเราได้แผ่กันที่บอกว่าสพเพสัตาอเวราอพยาปชะเนคาสุขิอาจารย์นางปริหัรันตุะอรเนี่ยที่ว่าพอสัตว์ทั้งหลายทั้งพวงที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น อ, อเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย อ, อพยาป ช, ชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนตึงกันและกันเลย อันนี้ค่ะจงเป็นสุขเป็นสุขเถอิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอัจจานังปริหารันโตจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภไยทั้งสิ้นเถินนี่แค่นี้ก็ได้ชื่อว่าเรานั้นได้แผ่เมตตานะได้แผ่เมตตาให้กับผู้อื่นแล้วนะให้กับผู้อื่นแล้วหรือบางที่อาจจะขึ้นบอกว่าอ่าอาหางสุิโตโหโมิขอให้พระเจ้าจงมีความสุขอ่า อ, อันนี้อ่าบางท่านอาจจะสงสัยว่าเอ๊ ทำไมแผ่เมตตาต้องแผ่ให้กับตัวเองด้วยออันนี้ได้พูดไว้ตอนต้นแล้วว่าคนเรานั้นรักสุขเปียดทุกข์ด้วยกันทั้งนั้นฉะนั้นคนเราจะให้ความรักคนอื่นนั้นตนเองจะต้องมีความรักอยู่ในใจนะเป็นคนมีความรักอยู่ในใจถ้าตนเองไม่มีความรักอยู่ในใจแล้วจะเอาความรักที่ไหนไปแผ่ให้กับคนอื่นนะเหมือนกับว่าเรามีคนมาขอทานมีคนมาขอทานเรา ถ้าเราไม่มีข้าวสารจะให้ไม่มีวัตถุจะให้แล้ว เ, เราจะให้เขาได้อย่างไรเราไม่มีเงินทองจะให้เนี่ยแล้วเราจะเอาอะไรให้เขาฉะนั้นเราจะต้องมีเงินทองเราจึงจะให้เขาได้เราจะต้องมีข้าวสุก ข, ข้าวสารสิ่งของต่างๆเราจึงจะให้คนที่มาขอได้ฉะนั้นการแผ่เมตตา ก, ก็เหมือนกันเราจะต้องปลูกความรักให้มีขึ้นในตัวตัวเองเสียก่อนปลูกความเมตตาความสนิทสนมให้มีขึ้นในตัวเองเสก่อนอให้รู้ว่าตัวเองนั้นต้องมีความสุขเสก่อน แล้วจึงเอาความสุขของตนเองนั้นเฉลี่ยให้กับคนอื่นได้นะฉะนั้นตัวเองก็รักสุขเบียดทุกข์ผู้อื่นก็เหมือนกันก็รักสุขเบียดทุกข์เหมือนกันนะฉะนั้นอันนี้แหละอเราจรึงต้องพูดคำว่าอาหังซุกิโตโฮมิขอให้พระเจ้าจงมีความสุกข์นะจะได้มีความทุกข์จะได้มีความเดือดร้อนนะแล้วก็สับเพสัตตานะสัตว์ทั้งหลายทั่วไปเลยนะทั่วไปนี่แหละเ ร, เรียกว่าเราต้องแผ่เมตตานะทีนี้การแผ่เมตตาที่เราแผ่ก็ ถ้าใครว่าตัวบาลีไม่ได้นึกเป็นภาษาไทยก็ได้นะนึกเป็นภาษาไทยก็คืออนึกว่าอขอแผ่เมตตานะขอให้อพ่อแม่บิดามารดาพี่ป้านะ้าอาลูกหลานเลนอ่าปู่ย่าตายายจงมีความสุขกายสบายใจอย่าได้มีเวรอย่าได้มีพายอาได้มีทุกข์มีความเดือดร้อนโนกรทั่งไปถึงญาติมิตรสนิทสหายพระราชามหากษัตริย์พระอประยุรญาติทุกๆพระองค์เนี่ย ขอให้พระองค์ได้มีความสุขจะได้มีความทุกข์จะได้มีเวรมีภัยจะได้มีความเบียดเบียนซึ่งกันและกันขอให้พระองค์ได้มีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถินนี่อย่างนี้เรียกว่าเป็นการแผ่เมตตาโดยเจาะจงแต่ถ้าแผ่ไม่เจาะจงแล้วก็แผ่ไปครอบจั ก, กรวาลเลยหมดเลยทั้งสิ่งมีชีวิตสิ่งสัตว์มนุษย์สัตว์เลื้อยคลานสัตว์ปีกสัตว์อยู่ในน้ำอยู่ในอากาศอะไรก็แล้วแต่ให้หมดเลยงงเงย่อเขี้ยวขอทุกประเภทนะทุกประเภทอย่างนี้เรียกว่า แผ่โดยไม่เจาะจงแล้วก็มีพลังอั น, นิสง์มากด้วยเรียกว่ า, าเมตตาในอปปมัญญาคืออัปปมัญญาแปลว่าหาประมาณมิได้แผ่ไปโดยหาประมาณมิได้และคนที่แผ่เมตตานี้สังเกตเถอจะเป็นคนมีจิตใจสดใสเบิกบานอยู่ตลอดเวลาอยู่ตลอดเวล า, าสมัยก่อนซึ่งมีเจ้าวาดวัดมหาธาตุยุวาราชัางสดริติธาประจันนี้ซึ่งมีนามว่า สมเด็จพระสังฆราชไก่เทินนะสมเด็จพระสังฆราชไกเ่เถทอนอกิตติศัพท์ของท่านก็คือว่ามีเมตตามากนะมีเมตตามากสามารถที่จะดึงเอาไก่ป่านี้ให้เข้ามาคลุกคลีอยู่กับไก่บ้านหรือคลุกคลีกับไก่วัดได้แล้วก็จนเชื่องจนเรียกว่าเวลาท่านฉันอาหารนี้พวกไก่ป่าก็จะมาอยู่ใกล้ๆนะท่านก็เอาอาหารที่ท่านฉันนี้โปรยให้ไก่ป่ากินบ้างหรือเดินไปไหนเมื่อทีก็ไก่ป่านั้นจะวิ่งตามจะเดินตามนี่ท่านมีเมตตาอย่างสุข นะมีเมตตายัางสูงฉะนั้นบอกว่าคนที่แผ่เมตตานี้ย่อมได้รับอ น, นิสงฆ์มากเป็นต้นว่านอนหลับ ก, ก็เป็นสุขนะตือนก็เป็นสุขแล้วก็ไม่ฝันร้ายนะแล้วก็ไม่ฝันร้ายพวกอาอมนุษย์ก็ก็ชมนะแล้วพวกมนุษย์ก็รักใคร่นะพวกอมนุษย์ก็ชมพู้ตรีปิศาจก็รักใคร่อพวกมนุษย์ก็รักใคร่นะแล้วก็มี จิตใจสดใสเบิกบานอยู่ตลอดเวลาพวกสารา ย, ยาพิษทุกสิ่งทุกอย่างทําอันตรายไม่ได้นะทําอันตรายไม่ได้และทําให้เรานั้นทําสมาธิได้เร็วมีจิตใจสงบเร็วนะมีจิตใจสงบเร็วเอและยิ่งไปกว่านั้นก็คือว่าทําให้เรานั้นเมื่อตายไปก็ เ, เมื่อก่อนใกล้จะตายก็ไม่หลงคล่าเพอลอะเมอเพล พ, พกและเมื่อตายไปแล้วก็เข้าสู่สุคติโลกสวรรค์นะ เสู่สุติโลกสวรรค์พูดง่ายๆถือว่าคนที่มีเมตานั้นเทวดาก็ชมพรหมก็สรรเสริญนะนี่แหละฉะนั้นขอให้เราทุกคนมามีเมตตาปรารถนาดีต่อกันนะปรารถนาดีต่อกันข้อที่สามก็คืออสุภะให้เราพิจารณาร่างกายของตนนะและผู้อื่นให้เห็นเป็นของไม่สวยไม่งามนะอย่างที่บอกเมื่อกี้เราพิจารณาอสุภะเสริจนะหรือกายยัคตตาสตินะกายยัคตตาสติอันนี้เราพิจารณาในกายของเราในกายของเราตั้งแต่ พิจนาใส่เล็กใส่ใหญ่ปอดตับไส้ใส่พุงพังเผยนี่มันเป็นของเปือยเน่าเป็นของหนักเศษเป็นของโซโครกแหมอันนี้ถ้าหากว่าเราได้ไปดูทางแพทย์เขาผ่าตัดแล้วเราจะเห็นว่าโอ้โหข้างในนั้นคนเราในโซกรปรกมากเรียกว่าเราไปเห็นแล้วนี่เราลงได้นะลงได้ทําให้เราทุกคนนั้นไม่อยากจะกินเนื้อสัตว์นะเพราะเราไปเห็นแล้วแหมมันตับใส่ใส่พุงเนื้อเลือดดูมันเอะมันสซปรกไปหมดแล้วทําให้เรานั้นไม่อยากจะ แต่งงานกันว่ากันเถอะไอ้ที่แต่งแล้วก็เกิดเบื่อหน่ายขึ้นมาเลยถ้าเรารู้บ่อยๆนี่เราจะเกิดเบื่อหน่ายมานี่แหละเป็นนโยบายที่พระพุทธองค์นี่ฉลาดมากหาวิธีที่จะทําให้คนเราเกิดเบื่อหน่ายในสังขารฉะนั้นต้องพิจารณากายยัคาตาเตติคือมิาตาสติพิจารณาเข้าไปในกายแล้วในภายนอกค่อยเราจเจริญอสุภกรรมฐานพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังอทุกเสิยงทุกอย่างนี่เป็นของไม่สวยไม่งามาให้เราดูสิ หน้าตาของเรานีไม่ได้อาบน้ําไม่ได้ลูบหน้าสักวันแหมมันก็รู้สึกว่าเศร้าหมองเลื่อนสกปรกผมของเราไม่ได้หวีไม่ได้สางไม่ได้สางชําระหรือฟอกอะไรทุกสิ่งทุกอย่างมันก็คันนะเนี่ยมันโรคมันเกิดขึ้นเยอะร่างกายของเราก็เหมือนกันเต็มไปด้วยรังแห่งโรคนะเดี๋ยวก็เป็นโรคผิวหนังเป็นโรคน้นโรคนี้สกปรกตัวเนื้อเป็นไปด้วยเหงื่อด้วยไค่เนี่ยดูแล้วมันก็ไม่สวยไม่งามนี่ถ้าเรามองกันด้วยสติมองกันด้วยสัมปชัญญะแต่ทีนี้ที่เรามาเห็นว่ามันสวยมันงามก็เพราะว่า เรานั้นขาดสติสัมปชัญญะเขาเรียกว่าสำคัญผิดเห็นของที่ไม่งามว่างามนี่เห็นของที่ไม่มีตัวตนว่ามีตัวตนนี่เราไปสำคัญผิดเขาเรียก ว, ว่าวิปลัลสนาเห็นผิดสำคัญผิดไปสำคัญในของที่ไม่งามว่างามสำคัญในของที่ไม่มีตัวตนว่ามีตัวตนนะแล้วก็ไปสำคัญในของที่เป็นทุกข์ว่ามีสุขจริงๆแล้วคนเรานั้นเต็มไปด้วยความทุก ข, ข, ข์ทางนั้นทนั้นพระพุทธองค์จึงบอกว่า ทุกเท่านั้นเกิดขึ้นทุกเท่านั้นตั้งอยู่ทุกเท่านั้นดับไปนอกจากทุกแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีอะไรตั้งอยู่ไม่มีอะไรดับไป น, นี่ฉะนั้นจะบอกว่าร่างกายของเรานี่ยมันเต็ไมไปด้วยความทุกข์ฉะนั้นพวกเราสําคัญกันผิดคือว่า ไ, ไปสําคัญในสิ่งที่ว่าเป็นทุกข์ว่าเป็นสุขนในสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุขนี่ไปสําคัญอย่างนั้ น, นอย่างนี้มันก็เลยผิดราดไปนะผิดพลาดไ ป, ไปสําคัญในของที่ไม่สวยงามว่างามสําคัญในของที่ไม่มีตัวตนว่ามีตัวตนอย่างนี้มันก็ แน่นอนที่สุดมีแต่ความทุกข์ความเดือดร้อนถ้าเราพิจารณาอย่างนี้แน่นอนที่สุดเราจะเกิดความเบื่อหน่ายในสังขารได้ในสังขารได้ที่ยังบทบาลีว่าสัพเพสังขารานิจาสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงสัพเพสังขาราทุขาสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกข์สัพเพธรรมาอนัตตาสังขารทั้งหลายอทำทั้งหลายไม่มีตัวไม่มีตนนะยะธาปัญญายปัจสติอัถนิปินติทุกขเเอสัมมโควิสุตติยา เมื่อเรามาพิจารณาด้วยปัญญาอย่างนี้ก็จะทําให้เรานั้นเกิดเบื่อหน่ายในสังขารนะเกิดเบื่อหน่ายในสังขารคือรู้แจ้งเห็นจริงว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่มีตัวไม่มีตนเมื่อเบื่อหน่ายในสังขารแล้วนี่แหละเป็นทางเห็นความบริสุทธิ์นี่แหละเป็นทางเห็นความหมดจดนี่แหละเป็นทางสายเอกนะเป็นทางสายเตุฉะนั้นก็ให้เราทุกคนนั้นเจริญอสุภะพิจารณาร่างกายของตัวเองและของผู้อื่นให้เห็นเป็นของไม่สวยไม่งามข้อสุดท้ายก็คือว่ามรณะจิก็คือให้เรานึกถึงความตายที่มีเก่ตน ว่าเราทุกคนนั้นเกิดมาแล้วต้องตายตายทั้งนั้นต่างแต่ว่าจะตายเร็ว yeah. ตายช้าทั้งนั้นอันนี้มันเป็นของเป็นหลักความจริงอยู่แล้วว่ามรณงทุวังความตายเป็นของยั่งยืนไอ้คาว่าเป็นของยั่งยืนนะเป็นของที่เราต้องมีอยู่แน่ว่าเราทุกคนเกิดมาต้องตายแน่ต้องตายแน่หรือที่เราบอกว่าชีวิตเป็นของไม่แน่นอนแต่ว่าเราต้องนอนแน่งนั้นการจะนอนแน่น่ะจะนอนที่ไหนนอนที่วัดนอนที่โบสถ์นอนที่บ้าน นอนกลางถนนหรือนอนบนตึกหนึ่งชั้นสองชั้นสามชั้นเก้าชั้นร้อยชั้นอะไรก็แต่เราไม่รู้เลยนี่เรียกว่ามันไม่แน่น่ะมันไม่แน่นอนนั้นจึงมีคํากลอนบอกว่าอันนี้จังสังขาร น, นั้นไม่เที่ยงเกิดเท่าไรตายกเกลี้ยงไม่เหลือรอนี่เราต้องตายทางนั้นแต่ให้เรามานึกถึงความตายว่าจะมีแก่ตนจากวันหนึ่งวันใดก็แล้วแต่ทุกทุกนาทีเราตายได้ทางนั้นเมื่อเรานึกถึงความตายจะทำให้เราไม่กลัวตายน่ะ เมื่อเราไม่กลัวตายเราก็ไม่ประมาทเมื่อเราไม่ประมาทเราก็จะมีสติสร้างคุณงามความดีอยู่ตลอดเวลาปฐมวัยก็ตั้งใจเล่าเรียนศึกษามัดชิมวัยในวัยกลางคนเราก็ตั้งใจขยันทํามาหากินในปัจฉิมวัยเราก็ขยันในการทําบุญสุนทานในบั่นปลายชีวิตนี่แหละที่ว่าเราไม่ประมาทแต่คนที่ประมาทนั้นแน่นอนที่สุดคือคนที่เมื่อตอนในเอวัยเด็กก็ไม่ขยันเล่าเรียนศึกษา ในวัยกลางคนก็ไม่ขยันทํากิจการงานทุกสิ่งทุกอย่างแถมในสุดท้ายก็คือไม่ขยันทําบุญสุนทานกระขอบุญงามความดีประเภทนี้ก็คือว่าเกิดมาก็เสียชาติเกิดเกิดมาสักแต่ว่าลมหายใจเข้าออกเท่านั้นนะไม่ได้ทําคุณประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับตัวเองและแก่ผู้อื่นอย่างนี้ก็เท่ากับว่าเรานั้นไม่ได้เจริญมรรณสติและเมื่อเวลาความตายจะมีแก่ตนก็รู้สึกกลัวตกอกตกใจนะที่จริงแล้วมันเป็นเรื่องธรรมดาเรากลัวตายมันก็ตายไม่กลัวตายก็ตาย วันนี้จะได้บรรยายในหัวข้อว่าพรหมวิหารธรรมสี่ประการนะพรหมวิหารธรรมสี่ประการคําว่าพรหมวิหารธรรมก็คือว่าทำเป็นเครื่องอยู่อย่างพรหมนะหรือว่าทำเป็นเครื่องอยู่ของพรหมนะของพรหมมีอยู่สี่อย่างคือหนึ่งเมตตาความรักใคร่อยากจะให้ได้รับความสุขทุกทั่วหน้าสองกุณา ความสงสารคิดจะช่วยให้พ้นจากทุกข์สามโมติตาความพลอยยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดีสีอุเบขาความวางเฉยไม่ดีใจไม่เสียใจเมื่อผู้อื่นถึงความวิบัติทั้งสี่ข้อนี้แหละเรียกว่าพรหมวิหารธรรมสี่ประการคําว่าพรหมวิหารแปลว่าธรรมเป็นที่อยู่ของพรหมหมายความว่าพรหมย่อมประกอบด้วยธรรมสี่อย่างนี้ นะสี่อย่างนี้ก็แล่พร้อมนั้นจําแนกออกเป็นสองอย่างคือพรหมโดยอุบัติกับพรหมโดยสมมุตินะพรหมโดยอุบัตินั้นก็ได้แก่ผู้มีบุญอันได้บำเพ็ญไว้แล้วนะจุติจากอาตภาพนี้ก็ไปบังเกิดในพรหมโลกอ่าบังเกิดเป็นพรหมในพรหมโลกออย่างนี้แหละเรียกว่าพรหมโดยอุบัตินะพูดมันพูดง่ายๆว่าพรหมโดยโดยกาเนิดว่าอย่าเถอะส่วนพรหมโดยสมมุตินั้นได้แก่ท่าน ผู้ใหญ่นหมายถึงท่านผู้ใหญ่ก็มีมารดาบิดาครูประชาอาจารย์หรือเจ้านายต่างๆตลอดถึงเจ้าหน้าที่ผู้ปกครองตนอันนี้ถือว่าเป็นพรมโดยสมมุติที่เขาปกครองเราด้วยความเมตตากรุณามุชิตาอเวขาอย่างนี้แหละได้ชี้ว่าเป็นพรมโดยสมมุติสมมุติกันว่าเป็นพรหมเป็นพรมพ่อแม่พระพุทธองค์จึงบอกว่าเป็นพรมของลูกนเป็นพระพรมของลูก อุปชาอาจารย์ก็ถือว่าเป็นพระพรหมของโลกที่ต้องมีเมตตากรุณาต่อสิทธิ์นะฉะนั้นทำสี่อย่างนี้เราจะต้องประกอบให้มีอยู่ในใจของเราอยู่เป็นนิดอ่านะอยู่เป็นนิดจะทําให้จิตใจของเรานั้นมีความมั่นคงในการดําเนินชีวิตและจะได้ชื่อว่าเรานั้นมีคุณธรรมของความเป็นผู้ใหญ่นะของความเป็นผู้ใหญ่หรือว่ามีธรรมเป็นเครื่องอยู่ของพรหมนะ ในข้อแรกที่บอกว่าเมตตาความรักใคร่อยากจะให้ได้รับความสุขอเมตตาโดยพยัญชนะอแปลโดยพยัญชนะก็คือว่าความสนิทสนมคือความรักใคร่เว้นจากราคะโดยอัดหรือว่าโดยเนื้อความก็ได้แก่ความปรารถนาความสุขความเจริญแก่ผู้อื่นนะแก่ผู้อื่นกรุณาโดยพยัญชนะก็ได้แก่ความความหวังนะความ ความวันใจเมื่อเห็นผู้อื่นได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนโดยอัดโดยเนื้อความก็ได้แก่ความปรารถนาเพื่อจะปลดเรื่องความทุกข์ของผู้อื่นนะนี่เรียกว่าเมตตามุทิตาโดยพญานาคได้แก่ความชื่นบานนความชื่นบานโดยอัดก็ได้แก่ความพอยยินดีด้วยความพอยยินดีด้วยในเมื่อเห็นผู้อื่นได้ดีอุเบขาโดยพัญานาได้แก่ความวางเฉย โดยอัดโดยเนื้อความก็ได้แก่ความวางตนเป็นกลางในเมื่อจะแผ่เมตตาคุณาไปไม่บังควรเช่นเอาใจใช่วยช่วยโจรเป็นต้นอย่างนี้ไม่ถูกเราจะต้องวางตัวเป็นอุเบกขานะอุเบกขาก็คือวางเฉยนะวางเฉยทีนี้เราก็ลองมาพิจารณาเป็นข้อๆไปนะในข้อแรกที่บอกว่าเมตตานะคำว่าเมตตาในที่นี้ก็คือว่าความความสนิทสนม ความสนิทสนมความปรารถนาดีความปรารถนาดีคาว่าความปรารถนาดีนี้ต้องบอกเลยว่าเว้นจากราคะคือความรักความใคร่ความรักความใคร่แล้วเมตตานี้ถ้าหากว่าเป็นความรักความใคร่แล้วมันก็ไม่ใช่เมตตาอกลายเป็นตัวราคะไปตัวกําหนัดไปตัวกําหนัดไปฉะนั้นคนที่จะเมตตานั้นต้องปราศจากราคะจินจะเรียกว่ามีเมตตา และคำว่าเมตตานี้ควรใช้ได้ในในในลักษณะทั่วๆไปนะในลักษณะทั่วทไปคือคนเราถ้าหากว่ามีเมตตาต่อผู้อื่นแล้วแน่นอนที่สุดความสุขความสวัสดีก็จะบังเกิดขึ้นนะความสุขความสวัสดีก็จะบังเกิดขึ้นแล้วเมตตานี่ก็ทุกคนควรสร้างให้มีขึ้นในจิตในใจของของตัวเองนะให้มีในจิตในใจถ้าหากว่าตัวเองไม่สร้างเมตตาให้เกิดขึ้นในจิตในใจแน่นอนที่สุด ตัวเองก็จะเป็นคนที่เรียกว่าใจดำอมตนะเป็นคนมีความอาฆาตพยาบาทนะเป็นคนมีความอาฆาตพยาบาทหรือพูดง่ายๆคือว่าเป็นคนที่ไม่ปรารถนาดีกับผู้อื่นนะคนที่ไม่ปรารถนาดีกับผู้อื่นแน่นอนที่สุดนั่นแหละคือคนที่ที่ที่ไม่มีเมตตานะคือคนที่ไม่มีเมตตาฉะนั้นต้องนึกถึงบุคคลอื่นเทียบกับตนว่าเราก็รัก ความสุขเกลียดความทุกข์ชันใดคนอ huh. ื่นก็รักความสุขเกลียดทุกข์ชันนั้นดังนั้นสิ่งที่ชอบใจนะสิ่งที่ชอบใจก็ย่อมเป็นสิ่งสิ่งที่เราชอบใจก็ย่อมจะเป็นสิ่งที่ผู้อื่น <ý> enfin ชอบใจเหมือนกันสิ่งที่เราไม่ like like ชอบใจอคนอื่นก็ย่อมไม่ชอบใจเหมือนกันนะสิ่งไม่บางครั้งเราบอกว่าเราไม่ชอบใจไม่อยากให้เขาทําอย่างนี้นะเราก็ต้องไม่ทําอย่างนี้กับผู้อื่นเหมือนกันนี่ นเราต้องคิดอย่างนั้นเมื่อเมื่อเป็นเช่นนั้นเราก็ปรารถนาการอยู่ด้วยกันอย่างไม่มีเวรไม่มีภัยนะอยู่ด้วยกันอย่างไม่มีเวรไม่มีภัยฉะนั้นอท่านสาธุชนผู้เจริญเมตตากรรมฐานก็พึงแผ่เมตตาให้กับตัวเองเสียก่อนนะแผ่ให้กับตัวเองเสียก่อนเมื่อแผ่ให้กับตัวเองแล้วก็แต่นั้นไปก็คือไปให้คนที่เรารักใคร่สนิทสนมเช่นว่าบิดามารดาสามีภรรยานะ อครูบาอาจารย์ลูกหลานหรือผู้มีปุคลากรคุณต่างๆมีเจ้านายเป็นต้นตลอดถึงกับอเพื่อนญอาสนิทนิสหายอันนี้แหละถ้าเราทําอย่างนี้ก็จะชื่อว่าเรานั้นได้แผ่เมตตาอ่าขอให้เขาได้รับความปรารถนาอันดีอโดยโดยทั่วกันทุกๆคนและแผ่อย่างนี้เป็นการแผ่โดยเจาะจงะแผ่โดยเจาะจงทีนี้ถ้าแผ่โดยไม่เจาะจงก็คือว่า ให้เราแผ่ไปทั้งคนที่รู้จักและไม่รู้จักอ่าสิ่งมีชีวิตทั้งปวงนี้ขอให้เขาได้มีความสุขจะได้มีความทุกข์จะได้มีความเดือดร้อนนี่เราแผ่ไปอยู่อย่างนี้นเรียกว่าจะเป็นสิงสาราสัตว์สัตว์เลื้อยคลานสัตว์บกสัตว์น้ําสัตว์มีปีกไม่มีปีกอสัต ว, วนะ์มนุษย์ทุกจําพวกนมนุษย์ทุกจําพวกเลยแม้กระทั่งพวกผีปีศาจนะพวกมนุษย์อมนุษย์อ บอกอินฟอร์มยมยาอะไรทุกสิ่งทุกอย่างนี้เราแผ่ให้หมดเลยแผ่อย่างนี้เรียกว่าแผ่ไปโดยไม่เจาะจงนแผ่โดยไม่เจาะจงทีนี้การแผ่โดยเจาะจงกับไม่เจาะจงนี้อันไหนมันมีพลังอิสงก์มากกว่ากันแน่นอนที่สุดแผ่โดยไม่เจาะจงมีอานิมีพลังอิสงก์มากกว่าเพราะอะไรก็เพราะว่าแม้แต่สิงสาราสัตว์นะทุกสิ่งทุกอย่างเราก็แผ่ให้แสดงว่าเรานั้นมีใจโอบเอื้ออารี อแก่แก่คนแค่นั้นยังไม่พอก็ยังไปแก่สัตว์อีกแม้ว่าสัตว์นั้นจะมีพิษมีภยัยเราก็แผ่ให้เขามีความสุขอมนุษย์ทุกจําพวกจะเป็นอินฟลมยมายักษ์อะไรก็แล้วแต่หรือจะเป็นศัตรูของเราก็แล้วแต่เราก็แผ่ให้ขอให้เขามีความสุขเหมือนอย่างกับนางสามาวดีได้แผลให้กับพระเจ้าอุเทนได้แผลเมตตาให้กับนางมาคันธยาซึ่งถือว่าเป็นหญิงคู่อาฆาต เ, เป็นเมียหลวงเมียน้อยที่คู่อาคาตกัน เรียกว่าตามล้างตามผานกันตลอดเวลาแม้พระเจ้าอุเทนกําลังยกธนูจะยิงนางนางก็บอกพวกนางสนมว่าอย่าได้คิดอาฆาตมาร้ายในพระเจ้าอุเทนอย่าได้คิดอาฆาตมาร้ายในพระนางมาพันธยาขอให้พวกเราทุกคนนั้นพิจารณาอยู่ในใจว่าเราเกิดมาแล้วต้องตายฉะนั้นเมื่อเราเกิดมาชาติหนึ่งเราพึงทําความดีฉะนั้นขอแผ่เมตตาให้กับพระเจ้าอุเทนและพระนางมาพันธยาว่า ขอให้พระองค์และนางนั้นจงมีความสุขกายสบายใจจะได้มีความทุกข์มีความเดือดร้อนปรากฏว่าไอ้ลูกธนูที่ยิงไปนั้นมันก็ผิดพลาดยิงไม่ออกนะยิงไม่ออกนะยิงออกไปก็ผิดพลาดนี่ซทำร้ายมันยังจะกระเด็นกลับมาถูกตัวเองเอาได้นะจะกระเด็นกลับมาถูกตัวเองเอาอได้นี่แหละเป็นด้วยอนิสง์หรือเป็นบารมีที่ที่เราได้แผ่เมตตานะที่เราได้แผ่เมตตาฉะนั้น ขอให้เราทุกคนนั้นมาแผ่เมตตาต่อกันแล้วการแผ่เมตตานั้นก็อย่างที่ท่านสาธุชนทั้งหลายก็มักจะแผ่กันตามวัดวาอารามต่างๆซึ่งก็อยู่ในหลักที่บอกว่าสัพเพสัตตาขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงอจงส่อสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอาเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอ อพยาป ช, ชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนแก่กันและกันเลยอันนี้ค่ะจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอัตานังปริหารันตูจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิน้นเถินนี่เราแผ่อย่างนี้แน่นอนที่สุดก็เท่ากับว่าเรานั้นเฉลี่ยความสุขให้กับบุคคลอื่น เมื่อคนอื่นได้รับความสุขจากเราเขาก็มีความสุขกายสบายใจยกตัวอย่างง่ายๆเหมือนกับว่าเราเรามีวัตถุสิ่งของต่างๆเราเอาไปเฉลีย่ยให้กับผู้คนอื่นผู้รับนั้นก็มีความสุขกายสบายใจอันนี้มีพระบรมราชวาทของในหลวงราชการปัจจุบันนี้ท่านได้ประทานแก่พวกหน่วยประชาสงเคราะห์ต่างๆ ที่ไปคอยช่วยเหลือบุคคลอื่นนั้นท่านบอกว่าการที่เราเสียสละให้กับคนอื่นนั้นอคนอื่นเขาก็มีความสุขมากแต่ว่าคนที่มีความสุขมากนั้นไม่ใช่ไม่ใช่คนอื่นเท่านั้นตัวของเรานั้นมีความสุขมากมีความสุขมากเพราะได้ช่วยเหลือบุคคลอื่นนี่เราได้ช่วยเหลือบุคคลอื่นเช่นในคราวที่เขาเกิดอความตกยากอันเนื่องมาจาก อวาตภัยเกิดพายุหรือว่าอุทกภัยเกิดน้ำท่วมอัคคีภัยเกิดไฟไหมโจรภัยเกิดโจรจี้ปล้นฆ่าทุบตีต่างๆ น, นานานี่แหละถ้าหากว่าพวกเราได้มีเมตตาช่วยเหลือกันเป็นวัตถุสิ่งของต่างๆก็ดีปัจจัยต่างๆจะเป็นเครื่องกินเครื่องใช้ไม้สอยทุกสิ่งทุกอย่างเขาจะมีความสุขมาก เ, เขาจะมีความสุขมากและเราก็มีความสุขที่เห็นเขามีความสุขแต่ถ้าหากว่า เขามีความสุขแล้วเราไปมีความทุกข์นี่แสดงว่าเรานั้นไม่มีเมตตามีความอิจฉาเสียาอยู่ในใจมีอคติอยู่ในใจนะไม่ใช่ไม่ได้ฉะนั้นอันนี้แหละพระ อ, องค์จึงได้ตัดว่าคนที่มีความสุขมากก็คือตัวของเราที่ได้มีความสุขในการที่ว่าเห็นผู้อื่นเขาได้รับความสุขจากเราที่ได้ช่วยเหลือเขาเนี่ยเราจะมีความสุข <c oughs> ฉะนั้นจึงบอกว่าขอให้เราทุกคนนั้นจงนึกอยู่เสมอว่า เมตานั้นย่ำได้มีอริสง์มากกับผู้ที่ได้แผลไปอ่านะก็คือว่ามีอริสง์ก็คือเวลานอนหลับก็เป็นสุขนะเวลาตื่นก็เป็นสุขอนะ่หลับก็ไม่ฝันร้ายอีกด้วยอนะ่หลับก็ไม่ฝันร้ายแล้วก็พวกอมนุษย์พูดปีศาจพวกยักษ์ต่างๆก็รักก็ชอบใจนะไม่มาหลอกไม่มาหลอนนะแล้วก็พวกมนุษย์ก็ก็รักใคร่รับถือเคารพ บ, บูชาอนะ่แล้วก็พวก ศาตราของมีคมต่างๆพวกยาพิษต่างๆนะพวกอสรพิษต่างๆก็ทําร้ายอันตรายอะไรไม่ได้ทําไม่ได้นี่นเพราะคนมีเมตตานั้นมีบารมีมากมีอะไรมาคอยเตือนมาคอยบอกให้ให้รู้ว่าอะไรไม่ดีจะเกิดขึ้ น, น, นแล้วก็ยิ่งไปกว่านั้นก็คือว่าทําให้มีจิตใจเป็นสมาธิเร็วจะตะพุธนั่งสมาธิก็รู้สึกว่าใจสงบเร็วมาก แล้วก็ทำให้มีดวงหน้าสดใสใจเบิกบานนะใจเบิกบานยิ่งไปกว่านั้นก่อนที่จะตายก็ไม่ทุรนทุรายไม่พร่มเพอลอะเมอเพอพกและเมื่อตายไปแล้วก็เข้าสู่สุคติโลกสวรรค์และเข้าถึงพรหมโลกอีกด้วยนะนี่เรียกว่าเป็นอนิสง์ของการแผ่เมตตานะฉะนั้นขอเราทุกคนมามามีเมตตาปรารถนาดีต่อกันนะเราจะได้รับความสุขทั้งตัวเราเองด้วยทั้งผู้อื่นด้วย การที่สองก็คือกรุณาความสงสารคิดจะให้ผู้อื่นเป็นอคิดให้ผู้อื่นพ้นจากทุกข์พ้นจากทุกข์ที่บอกว่าคือให้เราคิดว่าเราการุณาที่เราควรคิดว่าเราควรเจริญในเมื่อเขาได้รับความทุกข์ร้อนอผู้ที่ได้ประพฤติกรุณาหรือจเจริญกรุณาย่อมเป็นเหตุให้คิดช่วยช่วยผู้ที่ประสบทุกข์ประสบภัยอต่างๆนานา โดยที่ว่าตัวเองนั้นไม่หนีเอาตัวรอดโดยที่ละธรรมอันเป็นค่าสึกดอแก่จิตใ จ, จก็คือ อ, อวิหิงสาคือความไม่เบียดเบียนะความไม่เบียดเบียนตัวนี้แหละถือว่าเป็นตัวสำคัญคือเมื่อเราคิดสงสารผู้อื่นนะคิดสงสารผู้อื่นคิดจะช่วยเหลือผู้อื่นเราก็ไม่คิดเบียดเบียนผู้อื่นเมื่อเมื่อเช้านี้หนังสือพิมพ์เขาลงหนะนังสือพิมพ์ลงที่ว่าไฟไหม้ บ้านทำจากกล้านะก็ปรากฏว่าพวกหน่วยบรรเทาสาธารณภัยต่างๆก็รุดไปช่วยเหลือนะแต่ในก็มีคนหนึ่งคนใดที่เป็นหน่วยบรรเทาสาธารณภายนั้นเมื่อไปช่วยการดับไฟแล้วก็ถือโอกาสได้ฉกฉวยลักเอาสิ่งของที่มีอยู่ในบ้านนั้นไปแล้วก็ถูกเจ้าหน้าที่เขาจับได้นี่อย่างนี้เรียกว่าเรานั้นทำเป็น ว่าเป็นคนมีความสงสารนะคิดจะช่วยเหลือผู้อื่นแต่ก็คอยฉกเอาสิ่งของเขาเมื่อเมื่อสพโอกาสอย่างนี้ยังใช้ไม่ได้อย่างนี้ยังถือว่ายังมีอวิหิงยังมีวิหิงสานะยังมีใจที่จะคิดเบียดเบียนผู้ Richards อื่นนะอย่างนี้ใช้ไม่ได้อันนี้ก็มีอยู่มากนะมีอยู่มากเลยนะ น, นี่แหละฉะนั้นเรียกว่าใจของเรานั้นมันไม่ยุติธรรมนะอย่างนี้ใช้ไม่ได้อืใช้ไม่ได้อย่างนี้ไม่มีใครปรฐฐารถนาอย่างนี้ไม่มีใครชอบ ดนั้นขอให้เราพยายามหลีกเลี่ยงอันนี้หลีกเลี่ยงอันนี้อย่าประพฤติในสิ่งนี้ถือว่าทําไปแล้วมันเกิดทุกข์เกิดโทษนะเกิดความเดือดร้อนแก่ตัวเองแก่ผู้อื่นด้วยเมื่อผู้อื่นนั้นจะนอกจากเสียใจจากไฟไหม้หรือเกิดวาตภัยเกิดดุทกภัยแล้วก็ยังยังมาเสียใจเพราะสิ่งของนั้นต้องถูกพวกเราแย่งเอาไปนะชกชิงเอาไปนะแล้วดีไม่ดีถ้าเขาจับได้เราก็เดือดร้อนนะเราก็มีความทุกข์อับอายขายที่หน้าเขาอ่าทั้ง โลกเมียของเราหรือวงะกูลของเราอะฉะนั้นเราเราจะสงสารไข้นั้นก็ต้องเว้นจากวิหิงสาก็คือเว้นจากการเบียดเบียนเขาโดยอาการต่างๆต้องคิดช่วยเขาจริงๆคิดช่วยเขาจริงๆฉะนั้นกรุณานี้แหละที่เราบอกว่าเราสงสารผู้อื่นคือเราต้องนึกเอามาใส่ใจแล้วว่าถ้าเราอยู่ในสภาพอย่างนั้นอเราจะได้รับความทุกข์ขนาดไหนเราก็มีความทุกข์เราก็มีความเดือดร้อนเหมือนกันฉะนั้น เมื่อมีใครมีความกรุณาต่อเรามีความสงสารเราเขาช่วยเราแม้เราจะรู้สึกว่าดีใจลื่มใจนะเรียกว่าบางครั้งลราเหมือนว่าตายแล้วเกิดใหมนะ่เหมือนว่าตายแล้วเกิดใหม่บางคนก็ประสบข้อกรรต่างๆนานาเช่นว่าขับรถไปตกเหวบ้างนะหรือรถไปตายกลางทางบ้างหรือรถไปชนกันบ้างนะไอ้ที่เหลือก็เรียกว่าบางคนก็หาทางช่วยตัวเองมาไม่ได้ก็พอดีมีรถผ่านมาช่วยเอาได้ หรือบางคนก็ประสบอุบัติเหตุแล้วก็บาดเจ็บจนกระทั่งในว่าใกล้จะตายแต่ว่ามีคนไปช่วยเหลือเอานําส่งโรงพยาบาลช่วยให้รอดชีวิตได้นี่เห็นไหมหรือบางคนก็เมื่อรถไปตายกลางทางในที่เปล่าเปลี่ยวก็เกิดความกลัวว่าแมมถ้าเกิดมีอันตรพาหรือโจนผู้ร้ายผ่านมาก็แน่นอนที่สุดอาจจะเป็นเหยื่อของพวกนี้ก็ได้อันนี้ก็มีมีมีเกิดขึ้นได้ในหลายๆลักษณะอาจจะถูกจี้พล้นข่าไปเลยก็ได้ นะอันนี้ก็มีเยอะถ้าไปเจอคนดีก็รอดพ้นไปนะฉะนั้นถ้าเจอคนดีก็ถือว่าเป็นความกรุณานะเป็นความกรุณาที่ได้คิดช่วยเหลือให้เขาต้องได้พ้นจากวิปัสการอันนั้นได้พ้นจากทุกอันนั้นให้หมดไปก็เหมือนกับว่าตายแล้วเกิดใหม่นะตายแล้วเกิดใหม่ฉะนั้นมาในข้อที่สามที่บอกว่ามุทิตาความพรอยยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดีนะ ไอ้คำว่าพอยินดีก็คือว่าใครเขาได้ดีแล้วเราต้องยินดีกับเขานะเขาได้เขาได้ลาบได้ยศได้ตําแหน่งเราก็ยินดีกับเขาแต่ทุกวันนี้เรามาอย่างนั้นสิคือใครได้ลาบได้ยศตําแหน่งแล้วเรากลับไปว่าเขาไปอิจฉาเขานี่ในทางพระพุทธศาสนาจึงบอกว่าคนที่ชอบอิจฉาเสียาเขานี่จะเป็นคนที่เกิดในอมียศตักต่ํามียศจักต่ํา เพราะอะไรก เ, เพราะตัวเองนั้นจะขึ้นสูงเขาไม่ได้เพราะเวลาเขาได้ดีแล้วเราไปตัดเขาซะไปว่าเขาซะ น, นี่ไปตัดความดีของเขาฉะนั้นตัวเองจึงมียศตักต่ำเกิดในตระกูลต่ําไม่มีโอกาสได้เกิดในที่สูงจิตใจก็ต่ําสามอีกด้วยเขาได้ดีเราจะต้องแสดงความดีใจกับเขาะฉะนั้นในบางที่เขาจึงได้มีการจัดเลี้ยงแสดงความยินดียกย่องเทิดทูนให้คนดีที่ได้รับลา่าได้รับยศ ได้รับตำแหน่งหน้าที่การงานได้รับความไว้วางใจอจากผู้บังคับบัญชาหรือผู้ใหญ่ให้มีหน้าที่สูงส่งขึ้นฉะนั้นจึงมีการเลี้ยงแนะนําและจึงมีการไปแสดงอสักการะกันมุติตาสักการะกันอในทางศาสนาก็เหมือนกันเวลาได้รับเลื่อนชั้นเช่นว่าได้เป็นได้รับแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าหรือว่าเป็นเจ้าวาดเป็นพระครูเป็นเจ้าคุณ ชั้นสามัญชั้นราชัช้นเทศชั้นธรรมหรือว่าชั้นรองสมเด็จชั้นสมเด็ดจโจกระทั้งที่สุดก็คือขั้นสมเด็จพระสังราชเราก็มีการสแสดงมุทิตาสักการะกันคือความยินดียินดีเมื่อท่านได้ได้รับสิ่งที่ดีนะได้รับสิ่งที่ดีฉะนั้นคนที่จะเจริญมุทิตาอย่างนี้ก็ควรจเจริญในเวลาเมื่อเขาได้ดีนะไอ้เมื่อเขาไม่ได้ดีเราจะไปยินดีของมันก็ผิดไปอะไรอย่างนั้นนะมันก็ผิดไปฉะนั้นเราต้อง ต้องไปแสดงความยินดีเมื่อเขาได้ดีเมื่อเราเจริญมุติตาคือความยินดีย่อมเป็นเหตุให้เกิดโสมนักคือความดีใจความปลื้มใจแล้วทำให้เรานั่นละอุสุลธรรมอันเป็นค่าสึกอแก่แก่แกตัวมุติตาก็คืออารตอิอารติคือความไม่ยินดีความไม่ยินดีนี่ถือว่าเป็นอุปสรรคกับมุติตาเป็นอุปสรรคกับมุติตา ฉะนั้นจึงบอกว่าเราละได้อคนมีอารติคืออารติคือความไม่ยินดีความไม่พอใจในเมื่อเขาได้ดีแต่ว่าเราเกิดความพอใจเกิดความดีใจเมื่อเขาได้ดีก็เท่ากับว่าเรานั้นทําลายค่าศึกคือตัวอารติเสียได้ความถึงเครียดหรือความอิจฉาริษยาเสียได้ก็จะทําให้เรานั้นมีแต่ความสุขมีแต่ความสบายด้วยกันทั้งสองฝ่ายด้วยกันทั้งสองฝ่ายฉะนั้นจึงบอกว่าขอให้เรานั้นมามี อมุทิตาต่อกันอ่นแสดงมุทิตาต่อกันให้ถูกต้องอตามการตามเวลามาในข้อที่สามขอถามโทษข้อที่สี่คืออุเบกขาอคือความวางเฉยนะอุเบกขาก็คือความวางเฉยความวางเฉยยังไงคือวางเฉยในเมื่อผู้นั้นถึงความถึงความสุขอันภัยบุญอย่างหนึ่งนะถึงความสุขอันไัยบุญอย่างหนึ่ง หรือว่าวางเฉยในเมื่อเขาถึงทุกข์ถึงที่สุดอีกอย่างหนึง่งนะในความหมายของคาว่าอุเบกขาเนี่ยก็คือว่าไม่ดีใจเมื่อเขาได้ดีจนเกินไปแล้วก็ไม่เสียใจในเมื่อเขานั้นต้องถึงความวิตกนะอย่างนี้เราเรียกว่าเป็นอุเบกขานะเป็นอุเบกขาฉะนั้นขอให้ท่านลองนึกดูดีว่าอุเบกขานี้เราควรเจริญในเมื่อในเมื่อไร ในเมื่อเขาถึงความวิบัติซึ่งเรียกว่าหมดหนทางที่เราจะช่วยเหลือได้นะหมดหนทางที่เราจะช่วยเหลือได้หรือเราควรจเจริญในเวลาที่เขาถึงสุขอันไพูบย์เช่น ว, ว่าบุตรของเรานั้นมีความจเจริญรุ่งเรืองตั้งตัวได้แล้วเราไม่ต้องช่วยเหลือแล้วเขาก็พึ่งพาตัวเองได้อย่างนี้เราก็ควรจะถือหลักอุบเบกขาก็คือวางตัวเป็นกลางเลิกนะตัวออกได้แล้ว พรเขาเอาตัวรอดได้แล้วเราก็ไม่ต้องไปคอยประครับประคองไม่คอยช่วยเหลืออะไรนะหรือว่าเวลาเขาถึงทุกถึงที่สุดก็เช่นว่าถูกเจ้าหน้าที่เขาจับไปจองจําโทษทุกถึง ท, ทุกอย่างนั้นเราเห็นว่าอย่างนี้เราก็ช่วยเหลือไม่ได้มันเป็นเรื่องของกฎหมายเป็นเรื่องของโรงของศาลเขาอ่านะเราก็ให้เขาทําไปาะอย่างนั้นเราก็ต้องวางใจเป็นกลางๆลนะวางใจเป็นกลางๆ <c oughs> ถ้าเราทําใจได้อย่างนี้แน่นอนที่สุด ก็จะทําให้เรานั้นทําลายละอุสลุลธรรมที่เป็นค่าสเสกเจเบขาก็คือตัวปฏิฆะตัวปฏิฆะนี่แหละเป็นตัวที่ทําให้เกิดความกระทบกระทั่งอแห่งใจอความกระทบกระทั่งแห่งใจทําให้เกิดอารมณ์หงุดหงิดอด้วยอํานาจแห่งโทสะด้วยอํานาจแห่งโทสะได้คือทําไงพอนึกคือเราไม่สามารถที่จะวางเฉยได้ เมื่อวางเฉยไม่ได้ใจมันก็เกิดความฟาุ้งซ่านนะเมื่อเกิดความฟุ้งซ่านแน่นอนที่สุดอก็ทําให้เกิดการกระทบกระทาั่งสั่นสะเทือนไปทั้งกายและใจนี่มันก็เป็นวเกิดแห่งความทุกข์อีกเหมือนกันอ่าฉะนั้นถ้าจะพูดโดยย่อๆสรุปอีกเรื่องหนึ่งอีกครั้งหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องพรหมวิหารก็คือว่าให้เราทุกคนนั้นจงมีพรหมวิหารธรรมคือทําเป็นเครื่องอยู่ของพรหมทําเป็นเครื่องอยู่ของพรหมนั้นมีอยู่สี่อย่างก็คือหนึ่งเมตตาคือ ความปรารถนาดีต่อกันมีความรักความสนิทสนมต่อกันโดยที่ว่าปรารถนาให้เราทุกคนนั่นมีความสุขนะมีความเจริญด้วยกันไม่คิดเอารัดเอาเปรียบกันอยากให้เขาได้รับความสุขโดยทั่วหน้าถ้าเราคิดอย่างนี้แน่นอนที่สุดเราทุกคนก็จะไม่มีเวรมีภัยต่อกันแต่ที่เรามีเมีเวรมีภัยต่อกันเพราะเรานั้นไม่หวังดีต่อกันไม่ปรารถนาดีต่อกันนะ เมื่อเราไม่หวังดีไม่ปรารถนาดีแน่นอนที่สุดมันก็มีแต่ความทุกข์ความเดือดร้อนฉะนั้นเมื่อเราจะมีเมตตาเราก็ต้องเว้นจากตัวราคะอเมตตาคือความรักความสนิทสนมราคะคือความกำหนัดความยินดีอ่าคือความกำหนัดความยินดีในรูปในเสียงในตินในรสเนี่ยมันใกล้เคียงกันบางครั้งมันก็เกิดได้อบางครั้งเมตตานี่กลายเป็นตัวความรักความใคร่ได้ฉะนั้นเราต้องระวัง นั้นเมื่อเราระวังอย่างนี้เราก็จะมีแต่ความเมตตาอันบริสุทธิ์บริบูรณ์นะและเมื่อเรามีเมตตาแล้วก็เราก็แผ่ไปให้ทั้งบุคคลที่เรารักเรานับถือตั้งแต่ใกล้ตัวเราจนกระทั่งไกลออกไปด้วยมีบิดามารดาไปถึงพระราชามหากษัตริย์เป็นต้นอย่างนี้เรียกว่าแผ่โดยเจาะจงถ้าเราแผ่โดยไม่เจาะจงก็แผ่ไปครอบจั ก, กรวาลเลยทั้งสัตว์มนุษย์ทั้งสัตว์ เดรฉานแล้วก็สัต์น้ําสัตว์บกสัตว์เล้อยความสัตว์มีปีกไม่มีปีกทุกสิ่งทุกอย่างเราแผ่ไปอย่างนี้เรียวกว่าแผ่โดยไม่เจาะจงเราก็ยังมีความสุขความความไพบูรณ์เป็นอนเนกประการประการที่สองก็คือว่ากรุณาก็คือความสงสารคิดจะช่วยให้ผู้อื่นพ้นทุกข์ได้แก่ความหวั่นใจในเมื่อเห็นผู้อื่นได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนก็เอาเหตุนั้นมาใส่ใจเราว่าถ้าเราเป็นอย่างนั้นเราก็ต้องทุกข์เดือดร้อนเหมือนกัน ฉะนั้นเราก็ปรารถนาที่จะปลดเรื่องทุกข์ของเขาเท่าที่เราจะทําได้ช่วยเหลือเกื้อกูลเขาเท่าที่เราจะทําได้การที่เราจะช่วยเหลือเกื้อกูลเขานั้นแน่นอนที่สุดก็พยายามอย่างให้ตัวพยาบาทเกิดขึ้นเมื่อตัวพยาบาทไม่เกิดขึ้นแล้วเราก็จะมีแต่ความสุขมีแต่ความสบายแต่ถ้าตัวพยาบาทเกิดขึ้นแน่นอนที่สุดเราก็จะมีแต่ความทุกข์มีแต่ความเดือดร้อนและยิ่งไปกว่านั้นก็คือว่าให้เราทุกคนนั้นจงมีมุทิตา คือความพอยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดีนะเมื่อเขาได้ดีเราก็แสดงความยินดีกับเขาเมื่อเราแสดงความยินดีกับเขาแน่นอนที่สุดเขาก็ย่อมได้รับความดีใจเราก็มีความสุขใจนะต่างคนต่างดีใจต่างคนต่างสุขใจแน่นอนที่สุดทันที่สุขก็เกิดขึ้นด้วยกันทั้งสองฝ่ายประการที่สี่ประการสุดท้ายก็คือว่าให้เรานั้นอู่เบกขาก็คือวางวางเฉยไม่ดีใจไม่เสียใจในเมื่อผู้อื่นถึงความวิบัติหรือว่าถึงถึงความสุขอันไพบูร์ ก็หมายความว่าเวลาเขาถึงความสุขอันไพ่บูรณ์เราก็ไม่ต้องไปคอยประคับประคองไปช่วยเหลืออะไรเพราะเขาช่วยตัวเองได้อันนี้เราก็วางเฉยหรือว่าเขาเขาถึงความวิบัติจะด้วยเหตุการใดก็แล้วแต่ถูกเจ้าหน้าที่ถูกจองจําไปเราก็วางตัวเป็นกลางวางตัวเป็นกลางเพราะอันนั้นมันเป็นเรื่องอของอเจ้าหน้าที่เป็นเรื่องของโรงของศาลเป็นเรื่องของกฎหมายอันนั้นเราก็ทําใจให้เป็นกลางอย่างนี้แหละจะได้ชื่อว่าเราประพฤติธหรหมวิขิตธรรม คือทำเป็นที่อยู่ของพรมเราก็จะมีแต่ความสุขความเจริญโดยทั่วหน้าเอาละการบรรยายมาก็พอสมควรกับเวลาขอให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายจงประสบความสุขความสวัสดีขอเจริญพร